จวันนั้นวันที่ฉันได้พบกับเธอไม่เข้าใจทำไมรู้สึกอย่างนั้นความใกล้ชิดเข้ามาเป็นความผูกพันเริ่มสร้างฝันวาดหวังเอาไว้สวยงามเธอทำไม่รู้เปลือกแกลงทำเป็นไม่เห็น ว่าที่ฉันเป็นยิ่งนั้นน่ะเป็นเพราะใครดูใจดวงน้อยล่องลอยเล่นลมเรื่อยไป mm. เธอจะอยู่ไหนมันคอยจะลอยตามไปหาเธอ mm. อยากบอกให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวฉันรู้สึกยังไงก็ไม่กล้า กล้าสบตาลบไปลบมาก็แค่ใจมันเดินไม่พอรู้อยู่ว่ารักแท้ เพเสียงในหัวใจ เธอทำไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นไม่เห็นว่าที่ฉันเป็นยังนั้นน่ะเป็นเพราะใครดวงใจดวงน้อยล่องลอยลันลมเรื่อยไป mm. เธอจะอยู่ไหนมันคอยจะลอยตามไปหาเธออยากบอกให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวฉันรู้สึกยังไงก็ไม่กล้า ไม่กล้าสบตาลบไปลบมาก็แค่ใจมันเดินไม่พอ เล่นเสียงในหัวใจบอกว่ารักรักเธอคนนี้เธอตายรู้อยู่ว่ารักเธอคนเดียวรักอยู่ฉันรักเธอคนเดียวก็คนมันมีใจเจอกันก็วัน ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงแค่ได้เห็นหน้าเธอก็มึนรักอยู่ไม่รู้ว่าทำไมรักมากฉันรักเธอหมดใจแต่ทำได้แค่เพียงเปลงเสียงในหูใจบอกว่ารักรักเธอคนนี้ท้